มาณที่นี้ผีกับวิญญาณคนตายส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นความหมายเดียวกันแต่ว่าตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ต, ตยสถานผีคือซากศพของคนตายวิญญาณคือความรู้แจ้งความคิดสิ่งที่สถิตอยู่ในร่างกายของคนหลังความตายวิญญาณก็จะออกจากร่างไปหาที่อยู่ใหม่วิญญาณที่สถิตตามต้นไม้เรียกว่านางไม้จะเรียกให้ไเระก็คือเทพธิดาหรือว่านางสวรรค์นะคะ คนไทยทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นคนเมืองหรือชนบทหรือแม้แต่ชาวเขาต่างก็เชื่อว่านางไม้แล้วก็นางตะเคียนนั้นมีอยู่จริงเพราะมีคนเห็นออกมาจากต้นไม้ต้นใหญ่ๆโดยเฉพาะต้นตะเคียนปรากฏตัวเป็นผู้หญิงในชุดไทยที่งดงามในค่าคืนของวันพระใหญ่ค่ะก็มักจะออกมาเดินเฉิดชายอวดโมแต่ยังไม่มีใครแน่ใจว่าเป็นผีแปลงตนมาหลอก หรือไม่หรือว่าเป็นนางไม้นางเทพที่ดามาปรากฏตัวสิ่งที่เห็นหากจะเรียกว่าผีก็คือผีค่ะจะเรียกวิญญาณก็คือวิญญาณเพราะว่าวิญญาณกับผีความหมายเดียวกันในความเข้าใจของคนทั่วไป วิญญาณของหญิงสาวหรือผีผู้หญิงที่เสียถิตยอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ค่ะเรียกว่านางไม้ถ้ามาอาศัยหรือว่าสถิตยอยู่ที่ต้นตะเคียนซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านแข็งแรงแล้วก็มีใบดกหนาะคงต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้อย่างดีนะคะคนก็จะพากันเรียกวิญญาณเหล่านี้นะคะว่านางตะเคียนค่ะแต่ว่าในคมภีโบราณได้บันทึกไว้ว่านางตะเคียนนั้นแท้จริงก็คือเทพธิดาที่ยังมีกิเลส ต, ตัณหา หมายความว่ายังมีความรักมีความชังมีความกโกรธและก็มีความอิจฉาริษยาเหมือนมนุษย์ทั่วไปแต่ว่าด้วยบุญกุศลและก็บารมีที่ได้สร้างไว้เมื่อคราวที่เป็นมนุษย์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ทำความชั่วต่างๆ มุ่งทำการกุศลแต่ว่ายังไม่อาจจะละกิเลสทางโลกได้ทั้งหมดนะคะก็ทำให้ตายไปค่ะกุศลก็ได้หนุนนำให้ไปเกิดในหมู่เทพเทพเองก็มีหลายชั้นขึ้นอยู่กับกุศลกรรมของแต่ละคนว่ามีมากหรือว่ามีน้อยแค่ไหนนะคะส่วนเทพที่มาสถิตอยู่ตามต้นไม้แล้วก็บนภูเขานั้นเป็นเทพชั้นต้นค่ะกุศลยังไม่แรง จึงต้องลงมาอาศัยตามป่าที่มีต้นไม้ใหญ่เป็นเวียงวังโดยเฉพาะต้นตะเคียนถ้าไปสิงสถิตในต้นไม้ชนิดอื่นๆคนก็เรียกว่านางไม้หรือว่ารุกขเทวดาหรือรุกขเทวาที่จริงคือความหมายเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังก็คือหมู่เทพหมู่ชาวสวรรค์ชาวฟ้าอะไรนั่นแหละพวกเขาก็จะมีโลกของเขามีกายทิพย์ สวยอาหารทิพย์เสื้อผ้าอาพรล้วนเป็นของทิพย์นึกปุ๊บก็มาปับ๊บไม่ต้องไปหาหรือว่าไปสแสวงหาไปหุงหาให้เสียเวลานะคะเงินทองก็ไม่มีความจำเป็นสำหรับพวกชาวสวรรค์คือแค่นึกมันก็มาแล้วค่ะจะเอาชนิดไหนอย่างดีหรือไม่ดีรถแบบไหนเพียงแค่นึกในใจก็ลอยมาให้เสวยโดยที่ไม่ต้องเอาจานเอาชามไปล้างเองแค่ถอยออกมามันก็หายวับไปแล้วเช่นกันค่ะ ก็เมื่อทุกอย่างเป็นทิพย์ของชาวสวรรค์เสวยสุขเพียงอย่างเดียวพวกเทวดาเหล่านี้ก็มีทั้งใจดีและก็เทวดาใจชั่วอคติ พวกที่ใจดีมีเมตตาหมั่นบําเพ็ญกุศลในขณะเป็นเทพเมื่อสิ้นบุญก็จะได้ไปเกิดในชั้นเทวดาที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีถอยตกต่ําลงมาแล้วก็มาเกลือกลั้วในโลกมนุษย์แล้วก็โลกเดรัจฉานอีกนะคะซึ่งตรงกันข้ามกับเทวดาที่มีกิเลสหนาบางตนค่ะทําตัวไม่ดีเมื่อสิ้นบุญก็ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เลวหรือไม่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ขึ้นอยู่กับความหนักความเบาของกรรมที่ทําไว้นะคะ คุณผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องของเทพเทวดาอันที่จริงมันเป็นเรื่องสลับซับซ้อนระหว่างมนุษย์กับเทวดาชาวฟ้าชาวสวรรค์เพราะว่าจะหมุนเวียนกันไปเกิดตามแต่กุศ ล, ลกรรมแล้วก็อกุศ ล, ลกรรมอย่างนี้ ที่เล่าให้ฟังทั้งหลายไปแบบนี้นะคะเพราะว่าเคยไปอ่านแล้วก็เคยไปศึกษามาแบบนี้ในพระพุทธศาสนาไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วจะให้เชื่อใครจริงไหมคะเมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวพาดหน้าหนังสือพิมพ์ตัวเบอร์เลยแหละคะ่ะเป็นเรื่องของนางตะเคียนซึ่งสิงสถิตอยู่ในเรือไม้ตะเคียนจำนวนสามลำเป็นเรือโบราณอายุกว่าร้อยปีที่ชาวบ้านพบจมอยู่ใต้ลําน้ําปิงะคะ่ะแล้วก็นําไปขายให้กับสวนสัตว์ทั้งสามลำในราคาเกือบ 1แสนบาทตอนแรกนะคะทางสวนสัตว์จะนำไปโชว์ไว้ใต้น้ำซึ่งเรียกว่าสู่อะควาเรียมแต่ว่าจะตรวจสอบแล้วก็ทำความสะอาดก่อนโดยจะเก็บไว้ในโกดังด้านหลังจนเวลาได้ผ่านไปเป็นปีค่ะก็มีเสียงเล่าลือกันให้แซดเลยนะคะว่ามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นให้ชาวบ้านแถบถิ่นนั้นเด็กขนหัวลุกกันเป็นประจำวันดีคืนดีค่ะก็เห็นผู้หญิงสาวสวยแต่งชุดไทยเดินไปเดินมาบริเวณนั้น แค่นั้นยังไม่พอนะคะยังมีเสียงคนคุยกันเสียงดังลอดออกมาจากบริเวณที่เก็บเรือโบราณทั้ง3ลำในโกดังเป็นเสียงของผู้หญิง3าค น, นะค่ะคุยกันอย่างชัดเจน ก็มีเสียงเล่าลือหนั ก, นกขึ้นนะคะจนฝ่ายผู้บริหารก็เลยตัดสินใจให้นำเรือโบราณทั้งสามลำนีน้ออกมาโชว์ไว้ด้านหน้าของอาคารอควาเรียมซึ่งเป็นสนามหญ้าติดกับศาลพระพรมค่ะแล้วก็ทำพิธีบวงสรวงเป็นการแสดงความเคารพนับถือตามความเชื่อว่าเทพธิดาที่สถิตอยู่ในเรือสามลำนี้ จะโดนบันดาลให้ทุกคนที่มากราบไหว้บูชาได้รับความสุขความเจริญและได้ในสิ่งที่ปรารถนาซึ่งเรื่องความเชื่อคนไทยเนี่ยค่ะไม่ว่าจะยุคไหนจะเชื่อเสมอค่ะว่าวิญญาณที่สิงอยู่ในต้นตะเคียนหรือว่าตามต้นไม้ใหญ่นั้นมีอยู่จริงนะคะ ที่เรากำลังจะพูดถึงคือเรือขุดโบราณจากต้นตะเคียนขนาดใหญ่ทั้ง3าํานั้นยุคนี้หาดูได้ยากนะคะเนื่องจากว่าไม้ตะเคียนเนี่ยเป็นไม้สงวนที่หายากอีกชนิดหนึ่งคนไทยส่วนมากค่ะจะมีความเชื่อว่าในต้นตะเคียนใหญ่ทุกต้นจะต้องมีเทพเทวดาหรือที่เราเรียกกันจนติดปากนะคะว่านางตะเคียนสิงสถิตอยู่ การจะตัดต้นตะเคียนมาทำประโยชน์หรือว่าทำเสาเรือนนะคะหรือว่าทำเรือขุดหรืออะไรต่างๆก็จะต้องอทำพิธีปอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางให้รับทราบก่อนที่จะทำการตัดนะคะหากไม่ทำพิธีขอขมาก็อาจจะไม่เป็นมงคลกับผู้ที่นำมาทำประโยชน์อาทิว่าถ้านำมาเป็นเสาเรือนก็จะทำให้คนในบ้านพบแต่ความวิบัตินะคะในรูปแบบต่างๆ ซึ่งตรงกันข้ามค่ะถ้าทำถูกพิธีก็จะให้คุณให้ประโยชน์เป็นสิริมงคลกับผู้ที่อยู่อาศัยสมัยก่อนนิยมนำต้นตะเคียนมาขุดเป็นเรือแข่งบ้างเป็นเรือใช้ประจำครอบครัวก็มีพอมายุคหลังๆนะคะเรือที่ขุดจากต้นตะเคียนก็ค่อยๆหายไปแต่ว่าจะได้ข่าวเป็นประจำว่ามีคนขุดพบที่นูน่นที่นี่นะคะ จนพบจมอยู่ใต้ลําน้ําขนาดใหญ่บ้างหรือว่าตามห้วยหนองบ้างนะคะเมื่อพบแล้วก็นํามามอบให้กับทางวัดเรือที่อยู่ในวัดจะมีผ้าหลากสีผูกที่หัวเรือแล้วก็ยังมีทูบเทียนปักอยู่ที่ทางวัดจัดไว้ตัวเรือก็โดนชาวบ้านนี่แหละเอาแป้งทาสัขาวโปะเลยนะคะแล้วก็ขูดหาหวยไปทั้งลําบางคนค่ะมากน้อยเพียงแต่จุดทูบขอพรให้ธรรมมาค้าขาย แล้วก็ให้มันเจริญขึ้นก็มีแต่ว่าเรือตะเคียนยักษ์ทั้ง3ลำนี้ค่ะมีคนมาจุดทูปขอหวยหาหวย ห, หรือยังไม่รู้เนะคะเพราะว่ายังไม่มีข่าวซึ่งรายละเอียดเรือตะเคียนยักษ์จากข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ดังนี้นะคะเขาบอกว่าลำแรกเป็นลำพี่นะคะก็คือลำใหญ่ค่ะมีความยาว8เมตรกว้าง 1.40 เมตรลาที่2เป็นลาน้องรองค่ะมีความยาว 7.3 เมตรกว้าง 1.2 เมตรค่ะส่วนลาที่3น้องสุดท้องนะคะยาว 4.20 เมตร 60เซนติเมตรนะคะเรือแต่ละลำจะมีน้ำหนักมากค่ะจะต้องใช้พนักงานช่วยกันยกลำละ30คนเชียวนะคะในการเคลื่อนย้ายแต่ละทีนี่ดีนะคะที่บรรดา น, นังตะเคียนที่สิงสถิตยอยู่ในเรือแต่ละลำเนี่ยไม่สำแดงเด็ดให้ยกไม่ขึ้นเรื่องแบบนี้มีข่าวบ่อยครั้งทางหน้าหนังสือพิมพ์รายวันยักษ์ใหญ่ขนาดรถแบ็กโฮยังยกไม่ขึ้นค่ะต้องจุดทูบอ on ้อนวอนแล้วก็ขอขมาเท่านั้นแหละค่ะ ใช้แรงคนยกก็ขึ้นแบบปาฏิหาริย์แบบนี้ก็มีบ่อยนะคะนายนรุษทัตเจริญเศรษฐสินรองประธานเชียงใหม่สู่อะคาเรียมสวนสัตว์เชียงใหม่ในปัจจุบันนี้ก็ได้ให้รายละเอียดไว้ว่าเรือตะเคียนยักษ์สามลำนี้ชาวบ้านเนี่ยจากจังหวัดลำพูนพบว่าจมอยู่ในแม่น้ำปิง ก็เลยพากันนําขึ้นมาขายให้กับทางสวนสัตว์ในราคารวมกันแล้วเ0 0 0หบาททางสวนสัตว์ก็มีโครงการจะนําเรือสามพี่น้องมาวางโชว์ไว้ใต้อุโมงค์ในน้ําแต่ว่าต้องทําความสะอาดก่อนจึงนําเข้าไปเก็บไว้ในโกดังจนเวลาผ่านไปเป็นปีนะคะระหว่างที่นําไปเก็บไว้ในโกดังก็จะมีข่าวเล่าลือว่าพนักงานจากพนักงานนะคะหนาหูขึ้นทุกวันว่ามีคนพบเห็นสิ่งแปลกๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงแต่งชุดไทยเดินวนเวียนไปมาแถวโกดังเก็บ บางคืนนะคะก็จะเห็นนั่งอยู่บนหลังคาโกดังตอนดึกๆนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่ในโกดังและก็มีเสียงกรีดร้องโหยหวนทําเอาขนลูกขนพองไปตามๆกันเมื่อพนักงานลือกันมากขึ้นจึงคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมาจากโกดังเป็นแน่และมาจากเรือตะเคียน3ามพี่น้องนี้แน่ๆเลยนะคะท่านอยู่ในโกดังคงอึด อ, อัดอ่ะเนาะอยากจะออกมาอยู่ข้างนอกเรื่องนี้ เมื่อเรื่องถึงหูผู้ใหญ่ค่ะก็เลยมีคำสั่งให้นำเรือทั้งสามลำออกมาโชว์ไว้ด้านหน้าอาคารที่ติดกับสารพระภูมิเพื่อให้ประชาชนทั่วไปนะคะได้มีการสักการะบูชาเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายรองประธานกล่าวนะคะ ผีนางตะเคียนเป็นผีชั้นสูงค่ะคุณผู้ฟังเป็นผีระดับเทพจึงให้คุณมากกว่าให้โทษชายหนุ่มรูปงามทั้งหลายอย่ารีบไปทำให้เธอหลงรักสละเพราะว่าเธอรักแล้วไม่มีปล่อยแน่นะคะชายหนุ่มที่คิดว่าตัวเองหลอ่อแล้วก็อย่าไปขออะไรกับเธอนะเดี๋ยวเธอมีข้อแม้ทำนองว่าช่วยได้แต่ต้องให้สัญญาว่าประมาณนี้นะคะดังนั้นคนหนุ่มหน้าตาดีก่อนจะขออะไรคิดให้ดีก่อนขอเนะะี่ยเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนค่ะ